ลองดูใจตัวเองมั่งเด็ดูแต่สภาวะอย่างเดียวดูดูจิตที่เป็นสภาวะมั่งดูใจตัวเองดูว่าเออมันเป็นยังไงทุกข์ไหมทุกข์ไหมทุกข์สบายไหมไม่สบายเออ่ตัวนี้ดูง่ายเลยแหละเอาตัวที่รู้ลมอะ่ะไปดูที ใจเราตอนนี้เป็นยังไงมันสบายไหมไม่สบายดูความไม่สบายสิเป็นยังไงออไอนี่แหละที่เขาเรียกว่าทุกข์อ่ะแล้วแยกตัวรู้ออกมาจากทุกข์แยกตัวรู้ออกมาจากทุกข์ให้อาตัวทุกข์มันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูแล้วก็วิธีดูก็คืดูไปที่ใจของเราเอง ดูว่ามันมีความไม่สบายไหมไม่สบายก็เอาตัวรู้ออกมาแล้วก็ดูความไม่สบายที่มีอยู่ในใจสิเออไม่ต้องหาเหตุว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าเห็นว่ารู้แหละ ว, ว่ามันไม่สบายถ้าเอาตัวรู้ออกมาดูความไม่สบายได้เรียกว่าต่อไปเนี่ย ตัวรู้ก็จะแยกออกมาจากการจากจิตที่ปรุงแต่งออกแยกที่เรียกโดยภาษาภาษาธรรมะว่าเอาตัวรู้แยกออกมาจากเจตสิกแยกออกมาจากจิตและเจตสิกเช่นว่าในคราวต่อไปถ้าเราสามารถดูความไม่สบายลงได้เราก็จะเห็นว่าถ้าใจมันมีโทสะก็รู้เลย ตัวรู้ก็จะเห็นโทสะที่เกิดขึ้นที่จิตเอาโทสะหายไม่มีโทสะแล้วตัวรู้ก็จะสามารถรู้ได้ว่าโอ้มันไม่มีโทสะตัวที่สำคัญที่สุดในการภาวนาที่เราจะต้องแยกออกมาให้ชัดก็คือตัวรู้นี่แหละตัวรู้กับสิ่งที่ถูกรู้ ที่เรารู้ลมหายใจที่เรารู้การเคลื่อนไหวของเท้าเรียกว่ารู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจเนี่ยไอตัวรู้เนี่ยเป็นตัวที่จะต้องแยกออกมาจากเด็ดขาดจากสิ่งที่ถูกรู้เพราะฉะนั้นอะไรที่มันปรากฏชัดชัด ช, ด ช, ดชดัเป็นอยู่หลักๆตัวเนี้ยเราก็แยกตัวรู้ออกมาแล้วก็ดูมันเนี่ยทำการศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกรู้ออกมาให้ได้ การรู้ว่ามันมีความไม่สบายเกิดขึ้นที่จิตตอนนี้กายก็ไม่สบายใจก็ไม่สบายเราก็จะเห็นความไม่สบายเหล่านี้ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเกิดขึ้นกับรูปกับนามของเราตัวรู้ก็จะเป็นอิสระออกมาทั้งหมดเหล่านี้มันอาศัยสติกับสมาธิทั้งสิน้นถ้าไม่มีกำลังของสมาธิรู้ก็จะอ่อนแอมันเหมือนเด็กสมาธิสั้น เด็กสมาธิสั้นเนี่ยมันก็รู้จับจดเดี๋ยวก็ลุกไปนั่นเดี๋ยวก็ไปนี่เดี๋ยวก็ไปนั่นเดี๋ยวก็ไปนี่เดี๋ยวก็ไปนั่นเดี๋ยวก็ทําอย่างนั้นเดี๋ยวก็ทำอย่างนี้เด็กสมาธิสั้นอัตัวรู้ก็เหมือนกันอ่ะตัวรู้ที่มีอยู่มันไม่สามารถที่จะรู้อะไรจริงๆได้เพราะว่ากําลังสมาธิมันไม่พอไอ้นี่เราทําสมาธิมาตลอดอย่างต่อเนื่อง จนมันเกิดเป็นกำลังขึ้นมาแล้วก็แยกตัวรู้ด้วยกำลังสมาธินี่แหละเราก็แยกตัวรู้ออกมาแล้วดูเข้าไปที่จิตว่ามันมีสภาวะอย่างไรจิตนั่นมันมีสภาวะอยู่แล้วโดยเฉพาะไอ้ความสบายความไม่สบายนี่มันดูให้โดยเฉพาะความไม่สบายเนี่ ย, ม, ย, ม, ม, ย, ยมันดูง่ายๆเพราะว่ามันรู้อยู่แล้วดึงตัวรู้ออกมา แล้วก็ดูเข้าไปเห็นความไม่สบายเออจนใจมันยอมรับได้รู้จักได้ว่าโ อ, โอ้มันไม่สบายไว้อเอาความง่วงอ่ะเป็นสภาวะไหมนิวันเป็นสภาวะไหมเป็นเอาดูได้ไหมความพวกมันง่วงอยู่เนี่ยง่วงอเอาตัวรู้ออกมาดูความง่วงดิถ้าสามารถดึงความดูดึงตัวรู้ออกมาดูสภาวะอันใดอันหนึ่งได้ มันก็จะสามารถที่จะเป็นอิสระในการที่จะดูสภาวะทุกๆสภาวะได้เราก็ดูมันแต่ถ้าเราปล่อยให้ตัวรู้จมอยู่กับสภาวะพอความง่วงเกิดมันก็ง่วงด้วยเห็นไหมโทสะเกิดมันก็โทสะด้วยสภาวะอะไรเกิดถ้าเอาตัวรู้ไปไว้ในสภาวะนั้นๆกลายเป็นตัวเราเป็นอย่างนั้นไปเลยทันที เพราะว่าความง่วงเกิดความง่วงมันเกิดขึ้นที่กายเราดูกายสิมันง่วงความง่วงเกิดแล้วเอาตัวรู้ออกไปดูสิเพราะว่าตัวรู้มันบริสุทธิตัวรู้มันไม่ได้ง่วงด้วยตัวรู้มันไม่ได้ง่วงด้วยมันเป็นอิสระจากสิ่งที่ถูกรู้เหมือนเรารู้ลมหายใจให้เราสังเกตได้ไอตัวที่รู้กับลมหายใจซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกรู้มันไม่เกี่ยวข้องกัน ลมหายใจออกมันก็คือลมหายใจออกลมหายใจเข้ามันก็คือลมหายใจเข้าไอตัวรู้มันก็คือตัวรู้ตัวรู้ที่ไปล่อยรู่รู <m z ul heures> ้ลมหายใจออกกับตัวรู้ที่ไปรู้ลมหายใจเข้ามันเป็นอิสระจากลมหายใจลมหายใจกับตัวรู้มันเป็นอิสระแก่กันทีนี้มันก็เป็นธรรมชาติของเป็นธรรมชาติของมันเอง ลมหายใจออกก็เป็นธรรมชาติของลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็เป็นธรรมชาติของลมหายใจเใจข้ า, า, า, า, ขาไอตัวรู้ก็เป็นธรรมชาติของตัวรู้พอพอเราเข้าใจอย่างนี้ได้เราก็แยกเอาตัวรู้ออกมาดูซิว่าตอนที่เรารู้ลมหายใจลมหายใจออกรู้ลมหายใจเใจข้ารู้เออมันแยกอย่างเด็ดขาดต่างก็เป็นธรรมชาติของกันและกันไอตัวสําคัญที่สุดที่เราจะต้อง ดำเนินต่อเนื่องไปเรื่อยๆก right ็คือตัวรู zam, ้เข้าไปดูซิเห็นความง่วงไหมเห็นเห็นตัวเห็นความไม่สบายไหมเห็นไอ้ที่เห็นนี่แหละคือรู้เห็นถ้าอย่างนี้จะรู้เลยว่าความง่วงไม่ได้อยู่ที่รู้ความง่วงไม่ได้อยู่ที่ตัวรู้ตัวเห็นความง่วงจะอยู่ที่กายอยู่ที่จิตอยู่ที่การปรุงแต่งของจิตซึ่งตัวรู้แยกออกมา ก็สามารถที่จะโงกได้เพราะกายมันโงกได้กายมันเป็นได้ทุกอย่างอ่ะทีนี้จิตไม่ให้มันไปร่วมกับทีนี้เราแยกจิตออกมาไม่ใช่แยกรู้นะแยกจิตออกมาจากว่า ง, ง่วงด้วยการให้มันเสวย อ, อารมณ์ขอให้มันสวย อ, อารมณ์แบบไหนเรานั่งอยู่เนี่ยถ้าเราเร า, เราปีตา มันก็ไม่ได้เสวยอารมณ์รูปผมไม่ได้เสวยอารมณ์รูปจิตมันก็เสวยความม่วงเป็นอารมณ์นี่เราลืมตามองโน่นมองนี่มองนั่นที่เราไปล้างหน้าแล้วทําไมมันหายอ่ะทำไมเราไปล้างหน้าแล้วมันหายม่วงเลยวะเพราะจิตมันไปเสวยอารมณ์ที่เรียกว่าโหตภะโหตภารมณ์ จิตมันเสวยโผฏฐะมีโผฏฐะเป็นอารมณ์คือเอาการสัมผัสเอาเย็นเอาร้อนเอาอุ่นเอาอ่อนเอาแข็งมาเป็นอารมณ์มันก็ตื่นนะเออมันก็ตื่นกายยังง่วงไหม ง, ง่วงแต่จิตมันไม่ง่วงเพราะมันเสวยอารมณ์นี่อย่างานั่งอยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดไฟไหมปุ๊บปุุ๊๊บตื่นไหมตื่นใช่ไหมเพราะอะไร เพราะจิตมันโลดโผนจากการที่มันเสวยอารมณ์คือนั่งๆอยู่ก็บอกเป็นงูเลื้อยเข้ามาทุกคนตะโกนเสียงเดียวกันว่างูมาตื่นไหมเพราะอะไรเพราะจิตมันกระโดดไปเสวยอารมณ์เพราะจิตมันไปเสวยอารมณ์แล้วมันทำไมมันตื่นได้ฮะ <c oughs> เพราะมันสะเวยอารมณ์การนั่งฟังอย่างนี้เราหลัตานั่งฟังธรรมก็เทศไปบรรยายธรรมะไปเรานั่งฟังพอฟังปั๊บมันไม่สะวยอารมณ์มันไม่สะวยอารมณ์ใช่ไหมมันไปสะวยอะไรมันก็สะวยความง่วงพอสะวยความง่วงฟังรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องเออ ไม่รู้เรื่องเพราะฉะนั้นแยกตัวรู้ออกมาแล้วเอาตัวรู้นั่นแหละไปเรียนรู้ศึกษาสภาวะทั้งหลายรู้ที่รู้นั่นอะ่ะมันจะบริสุทธิ์มากแล้วแยกออกมาแล้วมันก็จะเห็นว่วงอา่วงอ่ะเหมือนโบบอกมีความรู้สึกเหมือนกับอะไรนะทำร้ายร่างกายตัวเองใช่ไหมนัน ไ, ไปไหนแล้วเนี่ยโบไปไหน เหมือ น, นร่างกายทาร้ายร่างกายตัวเองว่าเออเพราะว่าอะไรเพราะมันไม่ได้เสวยอารมณ์มันเสวยอะไรสเสวยความม่วงเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นจิตถ้าเขาไปเสวยอารมณ์ทางอายตนะตาก็ดีหูก็ดีจมูกก็ดีรถก็ดีอย่างรถเนี่ยยังนั่งงม่วงอยู่เนี่ย บระเภ็มาใส่ก็ไปที่ลิ้นทั้งข้อสองข้อเป็นไงฟ้าทะลายโจนสดๆเทก็ไปในปากมันก็จะเสวย ร, รถเป็นอารมณ์ใช่ไหมโดยผ่านทางลิ้นตื่นไหมตื่น อ, อหรือเอาส้มเปรียปร้ยวๆใส่ก็้าไปในปากเป็นไงตื่นเนื้อเนี้นี้ยนียนย้อยากจะตื่นดูเสวยได้เนี่ ย, ยมินของอินเดียเนี่ย ใส่เข้าไปในปากสักเม็ดหนึ่งแล้วก็คาไว้ทั้งพักผมมันแตกนะโอ้โหมันกระจายข้างในปากนี่นะตื่นเลยเพราะมันเข้าไปสเสเวยอารมณ์จิตเรามันสร้างอายตนะขึ้นมาร่วมกับธาตุสีนะธาตุดินของพ่อธาตุน้าของแม่ธาตุลมธาตุไฟก็อาศัย ธาตุน้าของแม่ช่วยพระอุม้มธาตุดินของพ่อก่อตัวขึ้นมาร่วมกับจิตที่พกพากรรมมาด้วยสร้างอายตนะขึ้นมาคือตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะให้จิตนั้นได้เสวยอารมณ์แล้วเวลาหลับอ่ะมันเกิดหลับตอนไหนไปหลับจริงๆคือหลับตอนที่จิตเขาไม่ได้เสวยอารมณ์ทางอายตนะอันมันก็หลับทีนี้แล้วฝันนะ่ะ ฝันก็คือจิตไปเสวย อ, อ, อ, อารมณ์ทางไหนจิตไปเสวยอารมณ์ทางไหนฝันะ่ะจิตเสวยธรรมอารมณ์เป็นอารมณ์จิตไปเสวย อ, อารมณ์ของจิตเองโดยไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายมันก็เกิดเป็นความฝันขึ้นมาความฝันนี่ถ้ามันมีสติอยู่เราเรียกว่าอะไรถ้ามันมีสติอยู่ ความฝันถ้าเรามีสติอยู่เราเรียกว่าจินตนาการอ้าวใช่ไหมความฝันถ้าเรามีสติอยู่อะเราเรียกว่าจินตนาการแล้วันก็บอกว่าตื่นอยู่ฝันได้ไหมฝันได้ตื่นอยู่ก็ฝันได้เออ น, นะนั่นน่ะเนี่ยขยับขยับขยั บ, ข ย, บขยับอย่างเงี้ยพอขยับขยั บ, ยบจิตรู้สึกถึงการขยับเป็นไงตื่นไหม ตื่นเพราะมันเสวยอารมณ์แต่ถ้าเราขยับแล้วจิตไม่ได้เสวยอารมณ์มันก็ยังหลับอยู่ดีงงอยู่ดี เ, ออเพราะฉะนั้นไอการที่จะให้เสวยอารมณ์มันจึงมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งการที่จิตเข้าไปเสวยอารมณ์อย่างเป็นธรรมชาติอีกประเภทหนึ่งการที่จิตเข้าไปเสวยอารมณ์อย่างมีสติและสมาธิ จิตที่เข้าไปเสวยอารม์อย่างมีสติและสมาธินั้นหมายความว่าเราสามารถควบคุมอารมณ์ที่จิตเข้าไปเสวยได้ เ, ออเราสามารถควบคุมอารมณ์ที่จิตเข้าไปเสวยได้เช่นอะไรบ้าง อ, อ่ะมันมีสติมีสมาธิให้จิตเข้าไปเสวยสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เราควบคุมได้พอเราควบคุมได้หมายความว่าอะไรหมายความว่า มันจะไม่ปรุงแต่งไปตามธรรมชาติของจิตแต่มันจะเป็นไปตามการควบคุมของสติและสมาธิ mm hmm. เวลาเราฝึกฝึกอบรมสมาธิจเจริญสติเนี่ย mm hmm. เพื่อให้สติและสมาธิมามีอำนาจในการที่จะให้จิตไปเสวยอารมณ์อย่างมีผัสสะมีการกระทบเกิดขึ้น จิตเกิดการกระเพื่มกระเพื่มไปตามกําลังของภาษาที่กระทบมันก็จะต้องดูว่าแรงกระเพื่มนั้นเป็นไปตามกําลังของสติสมาธิหรือหรือเป็นไปตามกําลังของจิตอย่างเป็นธรรมชาติถ้าเป็นไปตามกําลังของจิตอย่างเป็นธรรมชาติโดยทั่วๆไปปุตุชนมีอะไรอยู่ที่จิตมีอวิชชาเป็นหลักพราะมีอวิชชาเป็นหลักนั่นหมายความว่า มีดอกผลของอวิชชาคือราคะโทสาโบหะถ้ามันกระทบกับสิ่งที่ชอบปับ๊บจิตก็ไปเสวยอารมณ์ชอบนั้นถ้าไปกระทบกับสิ่งที่ไม่ชอบจิตก็ไปเสวยอารมณ์สีที่ไม่ชอบนั้นตัวจิตก็กลายเป็นไม่ชอบพอไปเสวยอารมณ์ที่ชอบตัวจิตก็กลายเป็นชอบเวลาจิตมันชอบหรือจิตไม่ชอบหมายความว่าอะไรหมายความว่าเรา ชอบหรือเราไม่ชอบนั่นเองหมายความว่าเราไม่สามารถควบคุมการกระทบนั้นได้การเสวยอารมณ์นั้นได้แต่เมื่อเรามีสติมีสมาธิมีกำลังจากการฝึกฝนอย่างนี้แล้วเมื่อจิตเข้าไปเสวยอารมณ์เมื่อมีการกระทบปับ๊บจิตเกิดการกระเพื่มมันจะชอบหรือจะไม่ชอบสติและสมาธิที่มีอยู่มันสามารถควบคุมได้ไม่ให้เกิดการปรุงแต่งไปตามกาลังของสิ่งที่กระทบ ดังนบุติภาวะของคนต่างกันตรงเนี้นวุติภาวะของคนต่างกันตรงนี้ะะนต่างกันตรงที่ว่าเรามีสติกับสมาธิที่จะเข้าไปควบคุมการกระทบได้ไม่ได้ถ้าปล่อยให้มันไปกระทบทบกระทบเสร็จแล้วปล่อยให้จิตมันเกิดการปรุงแต่งไปตามสิ่งที่กระทบก็เรียบร้อยมันก็เกิดเป็นอกุศลเกิดเป็นบาปเกิดเป็นกรรมเกิดเป็นเวรขึ้นมาเยอะแยะมากมาย เพราะนั้นในการอบรมฝึกฝนจิตสิ่งที่เราจะได้สอย่างหนึ่งอนัพพิชารุวิหารยะเราสามารถอยู่ด้วยความไม่เล็งอำนาจของโลภะอำนาจของรักขะอำนาจของอภิชาจะถูกลดอำนาจลงเมื่อเกิดสิ่งที่กระทบแล้วจิตจะมีสติและสมาธิคอยเข้าไปควบคุมอย่างเป็นธรรมชาติ อั้นอำนาจของความโลภอำนาจของความอยากอำนาจของความเป็นเลงก็จะถูกควบคุมไปด้วยไม่ปล่อยไม่ปล่อยเขาออกไปอัภยาปันเดนาเจตาโซมันก็ว่ า, วาเมื่อมีการกระทบแล้วมันจะให้เกิดพยาบาทเกิดความโกรธเกิดความปฏิคะหุดหงิดเกิดความกุ้งกลั่นรำคัญใจขึ้นมาเนี่ยไอสติกับสมาธิที่เราฝึกฝนอบรมอยู่เนี่ย มันไม่มันจะสามารถเข้าไปควบคุมป้องกันไม่ให้จิตปรุงแต่งไปตามกําลังของอํานาจของโทสะหรือพยาบาทเพราะฉะนั้นสติกับสมาธิเมื่อมีการกระทบแล้วเมื่อขัดเกลาขึ้นมาบ่อยๆแล้วเขามีความกําลังที่ตั้งขึ้นแล้วเนี่ยนาใจจะมากขึ้นเพิ่มขึ้นความเบตาก็จะสูงขึ้นความเสียสละก็จะมากขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติ สิ่งที่กระทบแล้วทำให้มันเกิดการหูดีดูอะไรนี่ก็จะค่อยปลุกปล่อยออกไปนี่เป็นประการที่สองประการที่สามเาเรียกว่าสตโตสตโตคือว่ามีสติมากขึ้นจากการกระทำก็ดีการพูดก็ดีมันจะมีการระลึกมีการพิจรารณามีการใคร่ครวญก่อนที่จะพูดก่อนที่จะทำก่อนที่จะตัดสินใจเพิ่มขึ้น นี่ตัวตั ว, ต, วตัวการการเจริญสติและเมือ่อปลูกอบรมสติแล้วเนี่ยสติกับสมาธิจะทำหน้าที่ขัดเกลาใจให้เกิดคุณสมบัติแบบนี้อีกอันหนึ่งเอกคัตตาจิตตสสะอัจฉตังสุสมาฮิโตตัวนี้เป็นตัวที่สำคัญมากแต่เราไม่ค่อยได้กล่าวถึงกันแต่อรตมาก็พูดถึงบ่อยๆ บ, บางคนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง จิตเอกคตาจิตตสอาจตังสุสมะิตโตหมายความว่าไอตัวรู้ที่นำพาสภาพจิตเข้าไปสู่อารมณ์อันเดียวโดยไม่มีการปรุงแต่งแต่ทรงตัวรู้อยู่อย่างบริสุทธิ์เช่นเรามีประสบการณ์จากการรู้ลมหายใจเรามีประสบการณ์จากการรู้การเคลื่อนไหวของเท้า หรือแม้นคนที่เคยผ่านการยกมือสายยกมือนะยกมือสิบสี่จังหวะสายรู้รู้การเคลื่อนไหวของข้อเตียนก็จะมีประสบการณ์ตัวนี้เมื่อมีอารมณ์อะไรก็ตามกระทบจิตเกิดการกระเพื่อมหรือเคลื่อนไหวไปตามกําลังสิ่งเหล่านั้นแล้วมันมีความเคยชินมีประสบการณ์จากการที่อย่างจิตลงเข้าไปสู่ในอารมณ์มันเดียวมันก็วิ่งเข้าไปหาอารมณ์มันเดียวอย่างเกิดทุกขเวทนา ขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถส่งจิตก้าไปสู่การเคลื่อนไหวได้เกิดทุ ก, กเวทนามันก็สามารถส่งจิตก้าไปสู่ลมหายใจได้อันนี้เป็นประสบการณ์ที่จะบ่มเพาะมาเป็นบา ร, รมีธรรมตัวนี้สำคัญเหมือนกันไอ้สีเรื่องนี้เราจะได้ขึ้นมาจากการอบรมและฝึกฝนในการเจริญสติคืออนัปปิชาลุวิหาร ย, ยัปยาปันเดนะเจตาโซ สโตเอเขกขกจิตตสะอาดตังสุสมาหิโตฉั้นคนที่รู้เรื่องเหล่านี้ได้เนี่ยคือพระพุทธเจ้าแหละที่รู้แล้วนํามาเปิดเผยจำจริงเราเนี่ปรารถนาเรื่องเหล่านี้มานานมากเพราะเรามีความลําบากเหลือเกินกับอภิชฌะเรามีความลําบากเหลือเกินกับพยาบาทเรามีความลําบากเหลือเกินกับความฟุ้งซ่านเรามีความลําบากเหลือเกินกับความความวุ่นวายของจิตเนี่ย แต่เราไม่รู้จะหาวิธีอย่างไรในอดีตนั้นมันหาวิธีกันมาเยอะแล้วแหละแต่ในที่สุดมันมาจบด้วยวิธีการเจริญสติที่พระพุทธเจ้าสอนที่พวกเราได้เจริญปฏิบัติกันมาเราันตั้งแต่เช้าของวันที่ยี่สิบเจ็ดที่เราฝึกฝนไม่เรานั่งสมาธิกันมาทั้งหมดเนี่ยเฉพาะที่อาตมามานั่งด้วยเนี่ยร้ 120, อยยี่สิบเอร้อยี่สิบนาที ส า, สามรอบรอบละสี่สิบนาทีนี่ร้อยี่สิบนาทีแล้วที่ท่านทั้งหลายนั่งเองอีกแล้วเดินยงกรมอีกเห็นเพราะฉะนั้นสติสมาธิที่เขาบม่มอบรมอยู่ที่จิตของพวกท่านเนี่ยมันก็จะตกผลึกออกมาเป็นบารมีธรรมในฐานะของตัวรู้ที่มีความบริสุทธิ์แข็งแรง แม้กายจะมีอาการแปรปรวนไปตามลักษณะของมันอย่างไรก็แปรปรวนไปแปรปรวนไปแปรปรวนไปแปรปรวนไปแต่รู้ยังคงอยู่เราก็สามารถที่จะเอารู้นั้นน่ะมาดูความแปรปรวนของกายของใจเราได้เช่นใจมันไม่สบายเราก็รู้เห็นให้รู้เห็นถึงความไม่สบายของใจกายมันง่วงก็ให้รู้ไปเห็นความง่วงของกายที่ปรากฏอยู่ เพราะนั้นไอ้สิ่งที่ถูกรู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันจะถูกแยกกันชัดมันจะเป็นอิสระแกกันเลยกันด้วยกําลังของสติและสมาธิถ้ารู้ไม่มีกําลังของสติรู้ไม่มีกําลังของสมาธิก็เหมือนกับเด็กสมาธิสัน้นแล้วก็เราก็จะไปมีบทบาทอยู่ในทุกๆสภาวะ ว่วงเราก็ง่วงโกรธเราก็โกรธหิวเราก็หิวปวดเราก็ปวดเมื่อยเราก็เมือ่อยทรมานเราก็ทรมานหดหูเรากนะ็โหดหูฟุ้งซ่านเราเนี่ยฟุ้งซ่านแต่รู้ทุกแยกออกมาเมื่อความฟุ้งซ่านเกิดรู้ก็จะเห็นความฟุ้งซ่านรู้สะแยกออกมาความหุ่นหิตเกิดรู้ก็จะเห็นความหุนหิต เวลามันเห็นเนี่ยมันจะไม่ปรุงอ่ะมันไม่ปรุงแต่ถ้ามันไม่เห็นมันไม่เห็นมันไม่รู้มันกระโดดลงไปรวมอยู่ในสภาวะนั้นมันก็ปรุงทันทีเหมือนเกลือที่อยู่นอกหม้อแกงเอาเกลือไปตั้งไว้ข้างหม้อแกงมันจะเค็มขึ้นไหมไม่เค็มเพราะอะไรไม่ได้ปรุง ไม่ได้ปรุงแต่ถ้าโยนเกลือใส่ไปในหม้อเมื่อใดเมื่อนั้นเค็มทันทีเพราะมันเกิดการปรุงใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้รู้เนี่ยที่มันไปรู้ลมรู้ลมรู้เท้า ร, รู้การเคลื่อนไหวของเท้ารู้ตัวเนี้ยต้องทำความเข้าใจให้ดีว่ามันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์มันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่ไม่ได้เกิดการปรุงแต่งอะไรถ้ามันอยู่ในฐานะที่แค่ ไปรู้ไปดูไปเห็นแต่เมื่อใดที่มันกระโดดลงไปอยู่ในกองของสภาวะที่ปรากฏเมื่อนั้นแหละเราจะทันทีเลยเราจะเป็นทันทีเลยแล้วถ้าเรารู้เห็นอย่างนี้ยอมรับในความบป็ชาติเป็นจริงอย่างนี้เข้าใจเกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติที่เป็นอิสระแก่กันอย่างนี้เล้วมันก็จะสนุกห่วงอยู่มันก็รื่นเรง ไอ้สที่เคยพูด้เฟังว่าสั้นโตปนีโตอาเซจนาโกสุขวิหารีอทิตรธรรมะสุขวิหรโรสั้นโตคือสาหบมันก็จะเกิดขึ้นจากการที่รู้มันแยกออกมาจากสิ่งที่ถูกรู้นี่แหละปนีโตความปราณีตก็จะปรากฏมันจะปรากฏกักการที่รู้มันแยกออกมาจากสิ่งที่ถูกรู้นี่แหละ อาเซจนาโกความเชื่อมชื่นมันก็จะปรากฏเกิดจากการที่มันที่รู้แยกออกมาจากสิ่งที่ถูกรู้นี่แหละทิตรธรรมะสุกวิหาโรขณะของปัจจุบันนั้นเกิดการอยู่อย่างเป็นสุขขึ้นมาเพราะมันไม่สามารถที่จะไปปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นได้อันนี้เป็นคุณสมบัติอีกอันหนึ่งจากการที่เราแยกจิตรู้แยกตัวรู้ออกมาจากสิ่งที่ถูกรู้ คือสันโตปณีโตอาเซจนาโกทิตธรรมะสุขวิหารีอีกสี่ข้อนี่แปดอย่างแล้วเนี่ยนี่อัศจรรย์แห่งรู้อัศจรรย์แห่งรู้รู้ตัวไหนรู้ตัวที่เราก็าไปรู้กให้รู้ใจนั่นแหละที่เรารู้ลมหายใจนั่นแหละที่เรารู้การเคลื่อนไหวของเท้านั่นแหละโอ้ยมันอัศจรรย์มากแล้วรู้ตัวนี้ถ้าเราไม่ละทิ้งเขา ยังคงทรงการปฏิบัติของเราอยู่เรื่อยๆเช่นเราเลิกออกจากคลอดนี้กลับไปบ้านแล้วเราสามารถที่จะให้ไอตัวรู้เนี่ยทรงมีอิทธิพลทรงมีอำนาจต่อยอดในการการการมีอยู่เนี่ยเราจะทำยังไงเช่นรู้ลมหายใจเราออกไปอยู่บ้านแล้วมันรู้ยากใช่ไหมมันรู้ยากไหมรู้ลมหายใจรู้ยากไหมเวลาไปอยู่บ้าน่ะ โอ้ยง่ายๆเมื่อกี้เพิ่งพูดให้ใหนนท์ควังไปตื่นนอนปั๊บรู้สึกตัวก่อนทำอย่างอื่นสัต์หาลมหายใจยาวห้าคู่นมั้ยเสร็จแล้วก็ไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำอาบท้าแต่งตัวกินกาแฟก็ว่าไปพอขึ้นรถจะออกจอากบ้านก่อนที่จะจับพวงมาลยัยนั่งที่หน้าคนนั่งเกา้าอี้คนขับแล้วเอาอีกสักสามคู่สี่คู่ เอาขับรถไปติดควยแดงนานดูเลยแล้วมันร้อยี่สิบก็เอาสักสองคู่ mm hmm. พอเข้าไปถึงที่ทำงานที่ออฟฟิศเส้นชื่อเส็นไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่งที่เก้าอี้ก่อนที่จะเริ่มงานเริ่มการเอาสักสามคู่ทำได้ไห ม, ไ, มได้เอาสักสามคู่เอาพักเที่ยงก่อนที่จะลุกออกไปทานอาหารเอาสักสองคู่ทานอาหารเสร็จแล้วกลับมาเพื่อที่จะเริ่มงานเข้างานต่อเอาสักสองคู่ เลอกงานเสร็จเดินกลับมาจะกลับบ้านไปที่รถก่อนที่จะออกจากรถก็ออกสักสามคูม่ก่อนจะขับรถออกมาออกสักสามคู่ในระหว่างขับรถเจียวไยดองไยแดงเนี่ยก็เอาสักสองคู่เมื่อมาถึงบ้านก่อนลงจากรถจอดรถเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วก่อนที่จะเปิดประตูรถออกมาจากนอกตัวรถออกสักสามคู่เหม็มเอาข้าวมาแล้วออกจากออกจากรถแล้วข้าบ้านข้าะไรเสร็จ เดี๋ยนเสื้อผ้าอะไรสิงสร่งว่างเสร็จก่อนที่จะทำการอย่างอื่นมีจจงหวักเอาสักสองคู่สุดท้ายเวลาก่อนที่จะนอนเอาสักห้าคู่เงี้ยมันจะทำให้รู้มีอำนาจในชีวิตปะจําวันถ้าทำอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆ อ, อ, อ, อำนาจของรู้ก็จะมีกำลังขึ้นกำลังของรู้ที่มีกำลังขึ้นนั้นจะทำให้สติกสมาธิมีกำลังขึ้นด้วยแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น มันก็จะเกิดสิ่งเฉพาะหน้าสิ่งเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นกระทบกับชีวิตของเราในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก่อนที่มันจะไปปรุงทีนี้ก่อนที่จิตจะไปปรุงกับสิ่งที่ปรากฏมันจะวิ่งหามันจะไอตัวรู้ที่มันมีอยู่กับสติสมาธิเนี่ยมันจะเข้าไปหาลมหายใจก่อนหรือแม้แต่มันจะต้องเข้าไปสู่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า มันก็จะไปด้วยกำลังของรู้ที่มีสติกับสมาธิ้าทำอย่างนี้ได้สบายสบายไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องไม่ใช่ว่าพระจะมานั่งพูดโอเองมันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์มันเป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ถ้าไม่เชื่อนะลงไปทำดูสักเดือนเดียวเช้าตื่นนอนขึ้นมา ก่อนลูกออกจากเตียงห้าคู่ลมยาวนะลมยาวนะแล้วว่างๆเดือนหนึ่งก็มีมาปฏิบัติอย่างเงี้ยในรูปแบบอีกสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวนี้ยังอาการทำตอนนี้ยังไม่ปิดมึงเปิดอยู่มีอยู่ทุกเดือนเราก็ไปเดือนละครั้งอยู่บ้านว่างๆแทนที่เราจะดูไปติดละครก่อ น, อนละครหลังข่าวเราก็เบนใช่ัห อย่าไปดูมันทุกวันใช่ไหมหชอบเรื่องวันจันทร์วันอังคารก็ดูเฉพาะจันอังคารส่วนพุทธพฤหัสล้วก็ดูลมหายใจเสียสลับกันไประหว่างอาสวะกับมันนี่คือทำอย่างเงี้ยให้ความสำคัญต่อรู้ไปเรื่อยๆนั้นโอกาสที่มันจะแยกออกมาจากสิ่งที่ถูกรู้และจะเป็นอิสระแก่กันเนี่ยมันง่าย แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เมื่อฟังอนุมาพูดนี้เข้าใจใช่ไหมเข้าใจแล้วมันแยกแล้วยังมันไม่แยกนะมันจะต้องฝึกมันต้องทํามันต้องยอมทําตามมันจึงจะแยกออกมาถ้าแยกออกมาแล้วมันจะสบายเชื่อเะมันเหมือนเกลือที่ตั้งอยู่ข้างหม้อนั่นแหละยังไงยังไงมันก็ไม่เค็มแกงก็ไม่เค็มเหมือนน้าปลาที่ตั้งอยู่ข้างหม้อแกงมันแยกกันเด็ดขาด แต่ถ้าเมื่อไรเทมันลงไปใส่หม้อมันก็เกิดการปรุงทันทีเมื่อเกิดการปรุงทันทีมันก็เป็นไปตามกำลังของการปรุงเ่านั้นถ้าถูกใจก็ชอบชอบมันก็เพิ่มกำลังกำลังในการชอบให้มากขึ้นโอกาสที่จะโอกาสที่จิตเราจะจมเข้าไปอยู่ในสภาวะในสิ่งที่กระทบต่างๆมัน ก, ก็ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องความรู้พวกนี้ จะต้องทำความเข้าใจควบคู่ไปกับการปฏิบัติของเราเองอาเช้านี้เดี๋ยวเราก็จะทำวัดนะทำวัดเช้านะ